Book 2 32า <32 S> 2สสองที่ร้านอาหารสอขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ยนโป k ิสไฟ เม t ดถั่มติซอสและมายองเนสสองที่ .Entwier m e t Mayonnaise และ a ส้กรอกกับมัสตา r ์ดสามที่ e n t r e m t w o r s, <S er i e s m e t Moster คุณมีผักอะไรบ้างคะ w a t e r g r e n t e Eti คุณมีถั่วไหมคะ เฮตีบันะคุณมีดอกกล่ำไหมคะเฮตีบลูมกลัว่ิฉันชอบทานข้าโพดหวานเอกิทกรอกมิลลิสดิฉันชอบทานแตงกวาเอกิทกรอกกุ้งกุร์ดิฉันชอบทานมาเขือเทศ แอคยัดกรอกเตมอติคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะ e ยจย์ย์ย่วครไรคุณชอบทานกะหล่ำปรีดองด้วยใช่ไหมคะเย e ยวครอกคคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะเยจย์ย์วครลิส คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะเจอคต์คุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะเจคชบรอกีคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะเจีอัคค ร, กรกาก้ดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ ดีฉันไม่ชอบมะก อ, อกอดิฉันไม่ชอบเห็ดดิฉันไม่ชอบหตุยนันย์